เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นคือจากเจริญเมตตากับคนที่ราเขาพูดกับเรานะและเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพยบูอย่ายิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้พิสู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมาอย่างนี้คือเรื่องเรื่องที่มันเกิดความวุ่นวายเรื่องเกิดความไม่สงบถามว่ามันเกิดจากอะไร หลักๆเลยนะก็เกิดจากขาดเมตตาจะถามพระอาจารย์ว่าแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณตรงนี้ถึงที่สุดขนาดไหนเจ้าค่ะไม่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าแสดงต่อพระภิกษุค่ะแต่ว่าพูดถึงที่แสดงต่อพระภิกษุถึงขั้นเอเมตตาพรมวิหารเจโตวิมุตติเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าโดยพยัญชนะนี่ก็ให้ได้ระดับชานนี่แหละ คือให้เจริญเมตตาเนี่ยนะจากทำเมตตาจิตให้ภัยภูมิภัยบูรเวทุระนี่หมายถึงระดับฌานเนี่ยนะตั้งแต่อั้นดีก็อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาระดับปฐมฌานทุติยฌานและตัติยฌานก็ให้ตั้งอยู่ในจิตอันภัยบูรหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไป ต, ตลอดทุกทิศ ท, ทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้น น, นะก็คือให้มีเมตตาให้เป็นฌานในนั้นแหละ เพราะที่จริงอย่างที่กล่าวว่าสังคมใดที่มันอยู่ด้วยความกระทบกระทั่งกันเนี่ยสังคมเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีเมตตาต่อกันเลยนะทุกคนพยายามจะเรียกว่าอะไรนะน้อมเข้ามาหาประโยชน์ของตนต็มที่เราเข้าภาษาไทายเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวทุกคนก็ถ้าเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเริ่มกนักนแกล้แกล้คนอื่นละนะอย่างเช่นแม้กระทั่งอย่างอย่างที่เคยได้ยินเข้ามาเขาเล่ามาเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องตักอาหารเรื่องอะไรเป็นต้นเนี่ยคนหนึ่งก็เริ่มกันแกล้แกล้กันละ เล่าให้ฟังอย่างภาพพิสูจบางกลุ่มนะ น, นะไม่ใช่คารวาสนะต่อตักอาหารบางบนโต๊ะแบบที่เราตักเที่ยงเท่งนั่นแหละไอ้คนตักก่อนเนี่ยก็บอกอุ้ยทำไมไอ้คนเห็นมาเดินมาทีหลังทําไมไคนก่อนมันตักเยอะจังไอ้คนตักก่อนก็บอกอุ้ยเหลือตังเยอะๆเนี่ยนะก็เลยเป็นที่มาของอะไรมีเมตตาต่อกันไหมเรื่องอาหารเล็กๆใ น, น้อยนะตอนที่ตักอาหารนานๆเข้ามันเริ่มมีปัญหาขึ้นนะแต่เริ่มมีปัญหาขึ้นเริ่มคอมเมนกันขึ้น แกเอาแต่อาหารที่ไม่อร่อยเลยนะก็เลยคือคือถ้าเป็นบางวัดนี่เขาก็จะให้พระพิสูจนที่มีพรรษามากกว่าตักอาหารก่อนใช่ไหมทีนี้ถ้าพิสูจน์พรรษาเนน้อยก็วุยนวายว่ า, วาเออเ น, นี่ยพระที่บวชก่อนก่อนนกักเอาแต่อาหารดีๆไปฉันหมดพระบวชก่อนก็เลยบอกว่าพี่ถ้าแกอยากได้อาหารดีก็ก็บวชนานๆสิแกจะได้ไปอยู่ถายหน้าเย่างนั้นเนละอันนี้ของเราเนี่ยโตอาหารของเราไม่มีปัญหานะก็ขออนุมโมทนาด้วยว่า ยังมีเมตตาต่ อ, อการมองการด้วยสายตาเป็นที่รักอยู่แต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าเชื่อไหมว่าเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาต้องยกขึ้นสู่ที่ประชุมเลยบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นได้หมดนะนะแม้กระทั่งโดยที่สุดเข้าห้องน้ําเรื่องที่วางรองเท้าเรื่องสราพรพัดเรื่องแล้วว่าพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆไ่ น, น้อยแต่ว่านํามาซึ่งความเสียหายหาประมาณไม่ได้เพราะนั่นก็คือ อ, อะไรนะ ขาดเมตตาต่อกันเมื่อขาดเมตตาต่อกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งพูดกับเราอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะถท่คํามันน่ารําคาญไปหมดเลยนะคําของศัตรูเรานะยิ่งฟังนานยิ่งรําคาญขึ้นยิ่งฟังยิ่งรําคาญยิ่งฟังยิ่งไม่ชอบเพราะฉะนั้นถท่คําที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเนี่ยถ้าเราไม่เจริญเมตตาเมตตาเอาไว้ดีๆเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งแห่งโทวะใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งความที่ไม่ให้เป็นทั้ง ทีนี้พระองค์ก็กล่าวอุปมาอุปมาของผู้ที่เจริญเมตตาว่าพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือจอบและตะกร้ามาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทําแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินอันนั้นมีจอบอยู่อันเดียวมีพุ้งขีอยู่อันเดียวนี่จะทําลายแผ่นดินเลยจะขุดแผ่นดินเนี่ยนะดังนี้เขาขุดลงตรงที่นั้นๆโกยดินขึ้นในที่นั้นนบ้วนน้ํนานนลายลงในที่นั้นๆแล้วสำทับว่าเอ็งอย่าเป็นแผ่นดิน เองอย่าเป็นแผ่นดินดังนี้พิกูุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข่อ น, นั้นเป็นไฉทิสูจนนั้นจะกระทําแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่ทําลายได้ไหมแผ่นดินเยี่ยงกลางทิสูจนเหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่าถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะอะไรเพราะแผ่นดินเนี่ยลึกเกินลึกแล้วก็ใหญ่เกินประมาณเนี่ยนะแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณไม่ได้เขาจะทําแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยนะ เจ้อะไรเนาะมาขุดแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินก็แรบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลําบากกล่าวเสียเป็นแน่แท้ฉันใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทางที่บุคคลจะกล่าวกับเราก็กล่าวกับท่านทั้งหลายก็มีอยู่ห้าประการเวลาคนอื่นเขาพูดกับเรานั้นหนึ่งกล่าวด้วยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรสองกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสามกล่าวด้วยคําอ่อนหวานหรือคําหยาบคาย 4กล่าวด้วยเทอาคาประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. กล่าวด้วยมีเมตตาจิตหรือมีโทสะภายในกล่าวคือสมุดฐานของของเสียงที่พูดออกมานี่มันอะไรอย่งนั้นฉะนั้นเหมือนกันเมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวโดยการสมควรหรือไม่สมควรก็ตามพูดด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามกล่าวด้วยเท่ยคําอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามกล่าวด้วยเทอยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรเปรวนเราจะไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเราจะอนุเคราะห์ประโยชน์เราจะมีเมตตาจิตภายในไม่มีโทสะภายในเราจะแผ่เมตตาจิตถึงบุคคล น, นั้นนั่นแหละเราจะแผ่เมตตาจิตะนะไปในบุคคล น, นั้น เสมอด้วยแผ่นดินอันภัยบุญยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดูกรที่สูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แห ล, ละนะทําไม่ได้เป็นตัวอย่างในการเจริญเมตตาในความกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันก็นียกยังไงก็ได้ขอให้เอาแผ่นดินใช่ไหมเอาแผ่นดินว่าเมตเราจะต้องมีเมตตาแผ่นดินเนี่ยนะให้เราตั้งอยู่ในเมตตาเสมอด้วยแผ่นดิน อ่ใครหนอะเคยสมาทานว่าเราจะต้องมีเมตตาเสมอด้วยแผ่นดินบ้างในห้องนะั้ตั้งอัตตาสมาปณิที่ตัวนี้ขึ้นไว้นะยังอย่าเพิ่งว่าใจยังทําได้ไม่ได้ไม่ว่านะแต่มีความตั้งใจที่จะทําอย่าง น, นั้นเนี่ยมีไหมคุณสุจินได้ตั้งหรือยังโอตาสุรีได้ตั้งไว้แล้วว่าจะต้องมีเมตตาจิตเสมอด้วยแผ่นดินเนี่ยนะยกมือขึ้นแล้ว่ะทําทไม่ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไหมคุณสุจินยกมือแล้วใช่ไหมยกขนาดนั้นนี่มันได้ยังไง เออยกมันสูงๆหน่อยไปยังชั่วหน่อยอะไรนะอ่า ต, ต้องมีอะไรนะมีมีขันติเสมอด้วยแผ่นดินใช่ไหมว่าจิตของเราจะต้องเสมอด้วยแผ่นดินทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง น, นะแต่ว่าตั้งอัตตาสมานี่ที่ไว้ก่อนว่า <c oughs> ตั้งอัตตาสมาตนี้ที่ว่าโ อ, อ้ยดีนะเนี่ยนะหมือนแผ่นดินเนี่ยเวล า, เ, าเวลาคนอื่นเขาถ่ายอะไรเป็นต้นไม่เห็นแผ่นดินจะโกรธเลยใช่ไหม เมื่อไหร่เนาะจิตของเราจะเป็นเช่นกับแผ่นดินเนี่ยนะบางทีนะเวลาที่เรามันหงุดหงิดไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยนะเมื่อไหร่จิตของเราจะเสมอด้วยแผ่นดินสักทีหนึ่งนะก็นะก็อย่างไม่น้อยก็น้อมน้อมไปอ่ะนะมีจิตโอุไปเอ็ น, อ ไ, ปนอไปที่จะเป็นคล้ายๆกับแผ่นดินบ้างก็ยังดีนะอนาคตก็จะประสบความสําเร็จเป็นแน่ทีนี้อุปมาข้อที่สอง ดูก่อนที่สูตทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษที่อเอาคลั่งก็ตามสีเหลืองหรือสีเขียวหรือสีแดงอ่อนก็ตามมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศจะทําให้มันปรากฏชัดจะตังสีอากาศแล้วนะ อ, าาอย่างนั้นหรือไงคุณตุจินเขาในห้องเราเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะั่นเป็นนักวาดมา ก, ก่อนคุทตุจินนี่เขาเป็นนักวาดภาพนะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เกสุดาไปชวนมาเรียนธรรมะบอกไม่สนใจจะวาดอย่างเดียวอย่างนั้นถามว่าถ้าวาดอากาศแล้วจะเป็นยังไง อ่นนนะนะผสมสีให้เบลเสร็จแล้วทาอากาศได้ไหมไม่ได้ก็กล่าวอย่างนี้บอกว่าจะเขียนรูปต่างๆให้มันชัดในอากาศนี่แหละที่สูตทั้งหลายเพื่อเคยจะสําคัญความข้อนั้นเป็นเไหนโุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศจะทำรูปในอากาศให้ปรากฏชัดได้หรือไม่ไม่ได้พระเจ้าขา้ถามว่าข้อนั้นเพื่อเหตุใดเพราะธรรมดาอากาศนี้เป็นของไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้ เขาจะเขียนรูปในอากาศท่านทั้งหลายมีอยู่5ประการหนึ่งกล่าวโดยการละอันสมควรหรือไม่สมควร 2. โดยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสถ้อย ค, คำอ่อนหวานหรือหยาบคาย 4. ถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์5มีแต่งวาจาชั่วหรือว่ามีโทสะในภายในกล่าวโทสะในภายในเรา และเราจะบุคคลอื่นเนี่ยจะกล่าวด้วยการสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคาอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวด้วยถ้อยคาประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามจะมีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนี้พวกเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่เปล่งวาจาชั่ว เราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์จักมีจิตเมตตาไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่จิตเมตตาจิตไปในบุคคล น, นั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยอากาศนีนะให้อาอากาศเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นเครื่องอุปมาว่าเราจะต้องไม่มีโทสะก ร, ระโุดอากาศเนีนะเราจะต้องมีเมตตาให้กว้างขวางกระโุดอากาศาก็กลายเป็นเมตตาที่ไพเราะ ย, ยิ่งใหญ่อากาศอย่างนี้ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาร ไป ต, ตลอดโลก ท, ทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ที่สู่ทั้งหลายเผื่อทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมานี้แลคือให้มีเมตตาไว้อย่างนั้นนั่นเองอันนี้อุปมาเพะข้อที่เท่าไร่ข้อที่สองข้อแรกคือแผ่นดินข้อที่สองอากาศเพราะฉะนั้นมองเห็นท้องฟ้านี้นึกถึงได้เลยใช่ไหมลืมเรียกว่ามองลงก็ได้ธรรมะใช่ไหม แงนขึ้นก็ได้ธรรมะเ อ, อสาทุเพราะนั้นข้าพเจ้าจักมีจิตเสมอด้วยอากาศอย่างนี้นะเมื่อใดเนอะข้าพเจ้าจักมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเมื่อใดเนอะข้าพเจ้าจักมีจิตเสมอด้วยอากาศอาทีนี้อะไรแม่น้ําแม่น้ําดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเท้าโคบหญ้าที่จุดไฟมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าอานาะถือชนวนไฟมาเลยนะกล่าวว่าเราจะทําแม่น้ําคงคาให้มันร้อนจับ แ <S an> ม่ น, น้ําคงคาเนี่ยกว้างยาวเป็นกิโลกิโลเนี่ยอ น, นะจักบอกว่าจะทําให้แม่น้ํำคงคาร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคดยาที่จุดไฟมาแล้วเนี่ยนะหมายาว่าถือตะบองไฟมาอันเดียวนะจะมาทำลายแม่น้ําคงคา <c oughs> พิสูจทั้งหลายเพื่อเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยบุรุษนั้นจักรทำแม่น้ํำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคดยาที่จุดไฟแล้วได้หรือไม่ไม่ได้พระเจ้าค่ะ ข้อนั้นท้าเหตุไรเพราะว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ลึกสุดที่จะประมาณจะทําแม่น้ํำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นฟันพึ่งด้วยคบญ้าที่จุดไฟแล้วเนี่ยทําไม่ได้ง่ายเลยก็แลบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลําบากปล่าเสียเป็นแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดพิสูจทั้งหลายทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านทั้งหลายมีอยู่ห้าประการหนึ่ง กล่าวโดยกาล่อันสมควรหรือไม่สมควรสองด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสามด้วยคําอ่อนหวานหรือคําหยาบคายสประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ถ้ามีจิตเป็นเมตตาหรือมีโทสะภายในก็ชนะหายจริงๆนะเวลาถ้าเราเอาธรรมะเหล่านี้ห้าข้อนี้ไว้เปรียบนะว่าเราจะอนุเครื่องนี้เขาพูดด้วยอะไรนั่นใน5้าอย่างเนี่ยนะก็มีอยู่แค่เนี้นะเวลาคนหนึ่งเขาคุยกับเรานะก็มีอยู่เท่านี้จริ ง, รงๆแหละ เพราะฉะนั้นพิสูจทั้งหลายเมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวกับเราเนี่ยโดยการสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพูดด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามจะพูดด้วยเท่คําอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกลา่าวด้วยเท่คําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามมีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักไม่เปรบจิตของเราจักไม่แ ป, ปร๊วนเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นเราจักแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยด้วยอะไรด้วยแม่น้ําคงคาขอ ง, ข, ข, องของเราเนี่ยแม่น้ําอะไรเจ้าพระยา็นไคนกรุงเทพก็ต้องบอกว่าเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาคนเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าเท่าแม่น้ําปิง ฮะแม่น้ําที่ไหนเนี่ยเมืองไทยก็แม่น้ำโขงไอ้แม่น้ําเจ้าพยาไงแม่น้ําเจ้าพยานี่มันเป็นเส้นหลักของกรุงเทพอยู่แล้วก็บอกจะทําจิตให้เหมือนแม่น้ําคงคาเอ้แม่น้ําเจ้าพยาถ้าแข่ก็แม่น้ําคงคาใช่ไหมแม่น้ําเจ้าพยานี่เอาเฉพาะที่เรียกว่าจุดไฟไม่ติดนะแต่ว่าพยาไปเอากลิ่นมันไม่กลิ่นมันไม่ดี อเอาแค่แค่แค่อะไรนะไม่มีใครจุดทำลายหมดได้นะเวนแต่แต่ว่ากลิ่นแม่น้ำคงแม่น้ำเจ้าพญาไม่เอาเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจะกล่าวกับเรายังไงก็ช่างเถอะเราก็ต้องมีจิตเสมอด้วยน้ำแม่น้ำคงคาเนี่ยนะเป็นจิตที่ไัยบูยยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวไม่มีความพยาบาทแผ่ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ ันะนก็ให้มีเมตตาจิตนี้เสมอด้วยแม่น้ําพราะเห็นน้ําก็นึกได้เลยใช่ไหมอุปมาว่าด้วยเมตตาของเราก็ต้องเสมอด้วยน้ําพราะองค์สอนให้จิตนี้เสมอด้วยแม่น้ำเห็นไหมแต่ก็ไม่ใช่แบบที่เขาคุณไปวู้ทําไมใจของคุณนิ่งว่างควางกระดุดทะเลเลยนะแต่ก็แต่นี้ฟังแล้วดูดีใช่ไหมแต่ว่าทะเลเนี่ยมันกินไม่ได้อย่างไงนะแย่เลยนะแค่ไหนเค้น okay. นะบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นกันละกันเนี่ยนะหม้ว่ากว้างขวางและดืนุนได้วยนะต่อไปอุตมะที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรน่าเหมือนที่สี่นั่นนะที่สีว่าเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวกระสอบจะตีเนี่ยนะเล่นเป็นยังไงกระสอบหนังแมวกระสอบหนังแมวเขาบอกว่าที่นายช่างฟอกดีเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังคุยนุ่นและสำลีเป็นกระสอบที่ที่ตีได้ไม่กล้องไม่ดัง หมายเพราะว่าไปฟอกมาซะจนมันมันอะไรนะมันทุนไปหมดแล้วมันยุ่ยไปหมดแล้วนะเสร็จแล้วเบลตนี้ก็ถือไม้กระเบื้องอถือกระบองกระเบื้องมาแล้วก็พูดว่าจะตีกระสอบหนังแมวที่ฟอกดีเรียบร้อยที่อ่อนนุ่มเหมือนเหมือนแบอะไรนะเหมือนสำลีที่ที่ตีไม่ดังก้องนี่ให้มีเสียงดังก้องจะตีกระสอบหนังแมวนี่เป็นรหัสประชุมกันนี่ไนหะตีแทนตะขังตีแทนกลองตีได้ไหม ใครที่ทําอย่างนั้นก็ป่วยตายแน่นะเหนื่อยตายเด็ดเดียวอย่างฉันใดนี่ก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ากระสอบหนังแมวนั้นเขาฟอกมีเลยเพวกเขาเขาทําให้มันนุ่มดีแล้วตียังไงก็ตีไม่ดังเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจะกล่าวกับเราก็ฉันนั้นเหมือนการให้จิตของเราสเสมอด้วยกระสอบหนังแมวนะเป็นจิตที่มีเมตตากว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพบูร์นเป็นต้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเธอจะต้องมีจิตให้ตั้งไว้ว่าจิตของเรานี้จักเสมอด้วยกระสอบหนังแมวก็ในสูตรนี้พระองค์อุปมาว่าเราต้องไม่โกรธเหมือนข้า อ, อุปมาสี่ข้อใช่ไหมเนืองแผ่นดินสองอากาสามแม่น้ำสี่กระสอบหนังแมวถ้าคนหนึ่งเขาจะกล่าวกับเราหนึ่งกล่าวโดยการสมควรหรือไม่สมควรสอง ด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสด้วยคำวาจาเนี่ยอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวาน4ประกอบด้วยประโยชน์หรือไมออ่ประกอบด้วยประโยชน์ถ้ามีเมตตาหรือว่ามีโทสะในภายในเห็นไหมเออเก่งมากเลยนะสาธุสาธุนะคะคนอื่นเะข า, าจะกล่าวเราก็นึกถึงอุปมาห้าสี่ข้อนี่นะหนึ่งแผ่นดินสองอากาศสามแม่น้ํา4 สาตอหนาแมวสาธุสาธุขอให้เจริญตามนี้แหละขอรางวัลได้เข้าห้องน้าโอ้ที่สาวซ้ายคล้าซ้ายขว า, า, ขาแถวนี้แถวเลยได้เวลาสมควรแล้วลงไปเลยขวามือพี่ดกเล่นสิบแปดอ่ตาตอนนะสะรุปโดยใจเนื้อความโดยสรุปบ้านดูผลที่สูดทั้งหลายหากจะมีพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ําช้าเอาเรื่อยที่มีด้ามสองข้างเรื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอแม้ในเพราะเหตุนั้นที่ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดร้ายต่อโจรเหล่านั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ทําตามคําสอนของเรา น, นะถ้าไปโกรธเขาถ้าเขาเลื่อยเราสดขาดสองท่อนเลยถ้าไปโกรธเขาชื่อว่ามันดังนี้ไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นับภิกษุทั้งหลายแม้ในข้อนั้น เธอทั้งหลายพึงทำความศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจกไม่แปรเปลว่นจิตเราจะไม่เปลี่ยนวาจาที่ชั่วเราจะอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยประโยชน์จากมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในจากแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและจากแผ่เมตตาจิตอันไพยบูรยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบามไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายถึงศึกษาด้วยอาการดังกล่าวมาอย่างนี้ก็คือให้เจริญเมตตาให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเขาจะมองเราด้วยสายตาไม่เป็นที่ชักเ อ, กเอ่อะไรนะไม่มองด้วยสายตาเป็นที่รักก็ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะก็เขาเละเราบ้างเขาจะมีเขาจะโกรธเราบ้างก็ปล่อให้เขาโกรธไปเธอะเนี่ยนะทำไมเราต้องไปขอแบ่งบาปจากเขามาล่ะเนี่ยนะใช่ไหมไป แ, แบ่งความพิการมาหาใช่ไหม เออคนโกรธนี่คือควความพิการชนิดหนึ่งเหมือนกันนะที่เรียกว่าออกงานไม่ได้เลยนะเออจริงๆริงนะขณะที่โกรธอยากออกงานไหมเพราะมันเป็นความพิการชนิดหนึ่งเหมือนกันนะขณะที่อาบุศรลจิตโดยเฉพาะโทสะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปขอแบ่งเข้ามาดูความพิสูจนทั้งหลายก็พวกเธอควรใส่ใจถึงโอวาสอันเปรียบด้วยๆนี่เป็นนิสเธอกรตจูประมาะเนี่ยนะก็คือด้วย อ, อ่ะโอปมาประดุดด้วยเนี่ยนะกร ต, าตาจูประมาะ ข้อพระสูที่อุปมาประดุดเลื่อยว่าถ้าหากว่าเธออดทนได้อย่างนี้จะมองไม่เห็นช่องทางแห่งข้อยคาที่เป็นโทษน้อยหรือโทษมากที่พวกเธอจะอดกลั้นไม่ได้มีอยู่บ้างหรือไม่ถ้าหากว่าเขาเลื่อยแล้วเราไม่โกรธนั้นมีอะไรจะต้องทนกว่านี้อีกมีไหยไม่มีเพราะเหตุนั้นแหละที่สูตรทั้งหลายพวกเธอจงใส่ใจถึงโอวาทอันเปรียดด้วยเลื่อยนี้อย่องนี้เถิดข้อนั้นจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่พวกเธอ เส้นการนานอนถ้าหากว่าเราสามารถที่ จ, จะเจริญเมตตามีมเมตตามไม่มีประมาณไปในทิศเรื่องบนเรื่องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะถ้าทําได้อย่างนี้นี่ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดการนานเห็นไหมนี้จะเป็นไปเพื่ออะไรนะเป็นเหตุใต้แห่งที่ทําที่สุดแห่งทุกได้นะถ้าดํารงอยู่ด้วยเมตตาฉั น, นั้นอันนี้ก็จดหนึ่งสูตรคือ ถ้ า, าว่าท่านเป็นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วท่านฟังถ้อยคํำเหล่านี้นี่นะคร <c oughs> ท่านอาจจะมีข้อสังเกตบางอย่างแล้วจะทําให้เราอ่านพระไตรปิฎกเเข้าใจเข้าใจยิ่งขึ้นนะเข้าลึกซึ้งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วอนกันเถิดเออ <c oughs> อย่างนั้นนะอย่าไปพระองค์ตรัสยว่าพระธรรมของพระองค์นั้นเนี่ยสมบูรณ์ทั้งอัฏฐานและพยัญชนะเห็นไหมท่านบอกว่า แนะ่ดังคาบบอกว่าไม่มีแม้แต่แม้แต่อัคคระตัวเดียวเนี่ยที่ผิดนะฮะนี่นี่ไม่โดนถึงแปลผิดนะครับหมายความว่าพุทธพจน์เนี่ยแม่อัคคระก็ไม่มีผิดนะพยัญชนะก็ส ม, มบูรณ์หมดเลยนะถ้าหากว่าท่านสังเกต ด, ดีๆนะถ้าเห็นว่าเออพระองค์บอกว่าตรงนี้นะถ้าเขามาทำอะไรท่านนะท่านอย่าอย่าไปโกรธเท่นะอย่างเนี้ยถามว่าเออถามว่าทําไมถึงบอกอย่างนั้นอ่ะอย่าไปโกรธก็นะท่านพูดตรงตรงนี้ไหม ท่ไม่พูดตรงๆอย่างนี้นะนี่เธออย่าไปโกรธนะนี่นี่เป็นคําสอนที่ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าเธออยา่าไปโกรธนะเธอต้องมีเมตตานะแต่พระองค์จะไม่บอกอย่างนี้เลยเนี่ยท่านสังเกตดูใหดีนะท่าบอกท่านพึงศึกษาว่านะท่านพึงศึกษาว่าเนี่ยเป็นคําที่โอ้โหเป็นคําที่ลึกซึ้งมากเลยนะแลนมีความหมายมากเลยลงท้ายก็เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่านะตอนขึ้นเต้นก็พึงศึกษาว่า ตอนท้ายก็ศึกษาว่านะคาว่าศึกษาเนี่ยกว้างขวางทีเดียวนะหมายความว่าให้ปลดให้ฝึกนะให้ฝึกเพราะว่าคาว่าศึกษาเนี่ยหมายถึงหนึ่งให้คิดบ่อยๆนะนให้เจริญเมตตาให้เจริญบ่อยๆนะคิดบ่อยๆนะเดี๋ยวนี้สอนเดี๋ยวนี้สอนวันธรรมบ่อยๆนะนะคิดก็ศึกษาใช่ไหมที่พระตลีบุตยิ้แสดงนิเทศได้ะอะไรตั้งใจก็ศึกษานะตั้งใจให้ดีนะ ตั้งสติตั้งสติไว้ดีนะนีว่าเออเนี่ยเวลานั้นเราใช้ทำตามที่ตามคําสั่ขงของพระองค์นะยวอย่ากโกรธ น, นะสังเกตก็ศึกษานะสังเกตคนหนึ่งเขาพูดเป็นยังไงบ้างนะว่าเขาพูดดีไม่ดีตามทีเหตุผลอะไรไหมสังเกตก็ศึกษ า, าสมาทานก็ศึกษาเราสมาทานเลยนะต่อไปนี้เห็นไหมเพราะถ้าคำว่าศึกษาเนี่ยนะมีความหมายเท่ากับว่าให้เราฝึก ก็จนไม่ได้ขัดกับอะไรเลยว่าเป็นอนาัตาไหมอยู่ดีๆจะไปห้ามก็ไม่ให้โกดิดเขาสะสมมาเกิดตั้งเลยแล้วอยู่ดีจะบอกเขาอยากกลัวนะคาสอนพระองค์ไม่มีแบบนี้เลยเพราะคำสอนพระองค์นี่แนบเนียนแล้วก็โอ้สนุกมากเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นได้นเนี่ยศึกษาเนี่ยนะยังหมายถึงว่าการเข้าไปกําหนดรู้คือการเข้าไปทําปริญญาข้อศึกษา